การบริโภคปัจจัยที่ไม่ได้พิจารณาแห่งพิสุผู้มีศีลชื่อว่าอินะบริโภคศีลดีหมดเลยแต่เวลาบริโภคปัจจัยศีนี่นะยกตัวอย่างเช่นใช้สอยจีวอนไม่พิจารณาอาหารมินธบาตไม่พิจารณาเสนาสนะไม่พิจารณายาก็ไม่พิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าอินะบริโภคบริโภคแบบคนมีหนี้ทําไมเป็นหนี่ะเพราะว่าตัณหานี่เป็น เป็นเหมือนนี่บริโภคด้วยตันหาตันหานี่เป็นเหมือนกับนี่อยู่แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุพึงพิจารณาจีวรในคราวที่ใช้สอยแต่ละครั้งสรุปคือทุกครั้งที่ใช้สอยบบนทบาทพึงพิจารณาแต่ในแต่ละคาข้าวเมื่อไม่อาจอย่างนั้นพึงพิจารณาในเวลาก่อนพัดหลังพัดยามต้นยามกลางและยามสุดท้าย ถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะก่อนสว่างให้พิจารณานะถ้าหากว่าเมื่อเธอไม่พิจารณาเลยจนอารุณ์ขึ้นเธอย่อมตั้งอยู่ในฐานะแห่งอินะบริโภคเนนะวันนี้ทั้งวันเลยนะสมมติว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าไปเนี่ยปัจใจสีไม่ได้พิจารณาสักอันเลยรอให้สว่างสว่างวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ผ่านมานี่เป็นอินะบริโภคบริโภคแบบคนเป็นหนี้ สํานวนทางอีสานเนี่ยนะเขาพูดเอาไว้เออถ้าหากว่าไม่ปัจเจกเดี๋ยวไปช่วยไถายนาเขานะเขาว่ากันแล้วเป็นชาติหน้าไปเกิดเป็นสัตว์บางอย่างที่ไถานาได้อ่ะนะเขาจะว่ายอย่างนั้นแหละเขาโหเตือนสติหน้าดูเพราะฉะนั้นจะต้องลุกขึ้นมาสวดปฏิสังขาโยเขาว่ากันจะได้ไม่เป็นมันจะได้ชาติหน้าจะได้ไม่ต้องไปไถานาให้เขาเขาว่ากันนะคือเขาพูดถูกแหละแต่ว่าไอความเข้าใจาส่วนใหญ่แล้วไม่เพียงพอว่า การพิจารณาปัจจัยสี่นี้มีเนื้อหาละเอียดลึกซึ้งขนาดไหนเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็เข้าใจข้อความอันนี้ที่ว่าทำให้พิจารณานี่เป็นนี่นะแต่นี้ท่านก็เสริมขึ้นมาเองเลยนะเป็นนี่เป็นยังไงอากับชาติหน้าไปไถานาให้เขาสิะนะเขาก็มาเป็นคำที่เย้ๆกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นแม้เสนาสนะก็พึงพิจารณาในเวลาที่ใช้สอยแต่ละครั้ง นนเฉพาะเสนาสนะเนี่นะเข้าไปนั่งยืนนอนนั่งที่ไหนก็พิจารณาทุกครั้งเลยทีนี้เลยไปยาว่าความมีสติกำกับทั้งในเวลารับทั้งในเวลาบริโภคเพศัดย่อมควรแม้เมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อพิกษุกระทําสติในเวลารับไม่กระทําสติในเวลาบริโภคย่อมเป็นอบัติแต่เมื่อไม่กระทําสติในเวลารับกระทําในเวลาบริโภคไม่เป็นอบัติ นะคือตรงนี้นี่เท่าที่สังเกตพบในข้อความบางแห่งเนี่ยนะถ้าพระภิกษุฉันยาโดยไม่มีเหตุอันควรท่านตรับอบัตินะฉันเพสัชเนี่ยนะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรเนี่ยเป็นอบัตทุกกฎเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเอายาเนี่ยมาคิดว่าสมมติว่าเขาถวายน้ํำผึ้งมาจะฉันให้อิ่มเหมือนอาหารก็เป็นอบัตอิ่มกันเห็นไหม ตอนเย็นเนี่ยฉันน้ำพึ่งแทนข้าวก็ได้ลักษณะนี้หรือว่าฉันน้ำตาลแทนเนี่ยนะน้ำอ้อยงบมาละเลงใหญ่เลยอย่างเงี้ยฉันได้แต่ว่าต้องท่านน้ำอ้อยเนี่ยเขาให้ละลายน้ำฉันทีนี้ถ้าหากว่าเภสัต์บางอย่างเนี่ยนะถ้าไม่ไม่มีเหตุที่สมควรบริโภคเนี่ยเป็นอบัตทีนี้ท่านก็กล่าวถึงเรื่องของสุธิสุธิคือเครื่องหมดจดมีสี่อย่าง คือเทศนาสุทธิหมดจดด้วยการแสดงหนึ่งสังวรสุทธิหมดจดด้วยสังวรหนึ่งปริเยติสุธิหมดจดด้วยการแสวงหาหนึ่งปัจเวคขณะสุทธิหมดจดด้วยการพิจารณาหนึ่งในสุทธิสี่อย่างนั้นปาติโมขะสังวรศีลชื่อว่าเทศนาสุทธิหมดจดได้ด้วยการแสดงเหมถ้าล่วงละเมิดไปแล้วก็บริสุทธ์ได้ด้วยการแสดงคืนนะอธิบายว่า ก็ปาติโมขะสังวรศีนั้นท่านเรียกว่าเทสนาสุทิเพราะหมดจดได้ด้วยการแสดงเนีถ้าเป็นปาราชิกก็แสดงด้วยการบอกคืนเป็นสัมมณเณรเห็ น, เ, นหเป็นสัมมณเณรก็ได้หรือว่าเป็นคารวะก็ได้ถ้าปฏิญาณเป็นสัมมณเณรหรือเป็นคารวะไปก็ไม่ห้ามมรรคผลนะแต่ถ้ายังอยู่ในปฏิญาณว่าเป็นพิสุอันนี้ห้ามห้ามมรรคผลโดยถ่ายเดียว ห้ามสวรรค์ด้วยรั้ไปถ้าเป็นสังฆทิเศตก็อยู่ปริวาติไปถ้าบัตรต่ํากว่านั้นก็แสดงคืนถ้าเป็นนิสกีก็สละวัตถุนั้นๆนไปเพราะฉะนั้นปาติโมคสังวร น, นี้สําเร็จได้ด้วยการแสดงส่วนอินทรียสังวรศีนชื่อว่าสังวรสุทธิหมดจดด้วยการสังวร อ, อธิบายว่าก็อินทรียสังวรศีนั้นท่านเรียกว่าสังวรสุทธิเพราะหมดจดได้ด้วยการสังวร อันมีการตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่กระทําอย่างนี้อีกเนี่ยนะนะนะปุณะเอวังกระิสามิเนี่ยนะจะไม่ทําแบบนี้อีกเหมงอนกันนั่นเทียวนะนะถ้าอยากบริสุทธิ์นะก็คือถ้าตามองเห็นจใจเป็นบาปบจะไม่ทําแบบนี้อีกนะคือจะไม่คิดแบบนี้อีกนั่นแหละจะไม่ปล่อยให้บาปอันนี้เกิดอีกในทุกๆอารมณ์เหมือนกันเด้อต้อง ตั้งใจเอาไว้เนี่ยนะหรือว่าบาลีท่านใช้คําว่าจิตตาที่ฐานนะบาลีท่านใช้คําว่าจิตตาที่ฐานเนี่ยนะนับหนึ่งสองสามสี่นับลงสี่บรรทัดในบาลีซ้ายมือนะเห็นไหมข้างบนอะ่ะจิตตาที่ฐานนะสังวเรเนวะนะท่านใช้ว่าจิตตาที่ฐานเนี่ยนะ <c oughs> ก็คือการตั้งใจไว้นั่นเอง แต่ถ้าใช้คําว่าจิตตาอธิษฐานเนี่ยดูแต่จะมั่นคงนะอธิษฐานจิตไว้เลยนะอธิษฐานจิตว่าจะไม่กระทําอย่างนี้อีกจกไม่ปล่อยให้ใจไหลไปกับบาปกับทุกๆอารมณ์อีกต่อไปนะต้องตั้งบ่อยๆดังนี้นั่นเทียวอย่างนี้ชื่อว่าสังวรสุทธินะสังบรด้วยการตั้งใจสมาทานอธิษฐานเลยว่าไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้อีกส่วนอาชีวปาริสุทธีศีลชื่อว่าปริเยทีสุทธิหมดจดด้วยการ สแสวงหาอธิบายว่าก็อาชีวปาริสุทิสีนั้นท่านเรียกว่าปริยีิสุทธิเพราะความเป็นศีลที่หมดจดได้ด้วยการสแสวงหาแห่งพิกษุผู้ละการสแสวงหาที่ไม่สมควรเสียแล้วยังปัจจัยทั้งหลายให้เกิดขึ้นโดยเสมอด้วยธรรมนะต้องหมดจดด้วยการสแสวงหานะก็ต้องสแสวงหาให้ถูกตามธรรมนั่นแหละ ตามพระวินัยที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ส่วนปัจจยสันนิสิตศีนี่นะปัจจยบริโภคสันนิสิตศีนชื่อว่าปัจจเวขณะสุดที่หมดจดด้วยการพิจารณาถ้าพิจารณาก็บริสุทธิ์หมดจดได้อธิบายว่าก็ปัจจยะบริโภคสันนิสิตศีนั้นท่านเรียกว่าปัจเจเวขณะสุทธิเพราะหมดจดได้ด้วยการพิจารณามีประการตามที่กล่าวแล้ว เพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าแต่เมื่อไม่กระทําสติในเวลารับกระทําในเวลาบริโภคไม่เป็นอบัติเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นพิจารณาไข้ควรวนตามหลักที่กล่าวไปแล้วในเรื่องของปัจจัย4การบริโภคปัจจัยของพระเสขะเจ็ดจำพวกชื่อว่าทายชะชาบริโภคพระเสขเจ็ดจำพวกคือพระผู้ที่ปฏิบัติเพื่อโซดาปฏิมักเนี่ยนะ โซดาปฏิพลดสกาธาค่มีมักสกาธาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลและอรหัตมักเนี่ยนะเพราะว่าพระเสขเหล่านั้นจัดว่าเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเพราะเหตุนั้นจึงนับว่าเป็นทายาทแห่งตัจจัยทั้งหลายอันเป็นของบิดาบริโภคปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เห็นไหพระเสขตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนี้เป็นทายัตชะคือบริโภคมรดกของพระพุทธเจ้า ถามว่าก็พระเสขะเหล่านั้นบริโภคปัจจัยทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าบริโภคปัจจัยทั้งหลายของเครือขัดเอท่านฉันขนฉันของใครแ น, น่ังั้นนาะตอบว่าปัจจัยทั้งหลายแม้ว่าเครือขัดทั้งหลายถวายให้ก็ย่อมจัดเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหลเพราะความที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้ถ้าหากว่าพระองค์ไม่อนุญาตเครือขัดจะถวายเลยยังงั้น เพราะเหตุนั้นถึงทราบว่าพระเสขาทั้งหลายเหล่านั้นบริโภคปัจจัยทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคก็ธรรมทธยายสูตรเป็นเครื่องสาทกในความข้อนี้ได้นะรำมทธยายสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญ น, นาถถามว่าถ้าหากว่าปุถุชนผู้มีศีลบริโภคแล้วพิจารณาด้วยอย่างนี้สงเคราะห์เป็นทายชะช้าบริโภคกันนะตามในข้อความในดีกา ทั้งดีกาพระวินัยและก็ดีกาวิสุทธิมักกล่าวอธิบายไว้ว่าพระกาลยาณปุตุชนผู้มีศีลบริโภคด้วยการพิจารณาเนี่ยนะสงเคราะห์ลงประเภท ท, ทายาทบริโภคส่วนการบริโภคของพระขีนาศพทั้งหลายชื่อว่าสามีบริโภคพระขีนาศพเนี่ยนะมาจากขีณาขีณาแปลว่าสิ้นแล้วขีนาสวะก็คือขีนะคือสิ้นแล้วบวกอาสวะ พระผู้สิ้นแล้วจากอาสวะชื่อว่าพระขีณาศพเห็นไหมการบริโภคปัจจัยของพระขีณาศพชื่อว่าสามีบริโภคจึงอยู่พระขีณาศพเหล่านั้นจัดเป็นเจ้าของบริโภคอยู่เพราะความที่ท่านเหล่านั้นล่วงความเป็นธาตุของตันหาได้แล้วเห็นไหมท่านไม่เป็นตันหาไม่มีธาตุของตันหาท่านไม่บริโภคด้วยอํานาจของตันหาแน่นอนไม่มีโลภะเลยในขณะฉันเน็นไหม ชันด้วยมหากริยาอย่างเดียวนะไม่ได้ชันด้วยโลภะมูลจิตเหมือนนน่ในบรรดาการบริโภคเหล่านี้สามีบริโภคหนึ่งทายชาบริโภคหนึ่งย่อมควรแก่ภิกษุทั้งหลายทั้งปวงส่วนอีนะบริโภคไม่ควรในเถรยะบริโภคไม่จําต้องพูดถึงเลยเหนันน่ยโอ้ยพูดบริโภคแบบโจรนี่ไม่ต้องพูดถึงร็อกเหมืนอนนเพราะอะไร เพราะไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งขนาดอินาบริโภคบริโภคแบบไม่พิจารณาเนี่ยยังไม่ควรเลยอันหนึ่งการบริโภคปัจจัยที่ได้พิจารณาแห่งที่สุผู้มีศีลนี้อันใดการบริโภคนั้นจัดเป็นการบริโภคโดยความไม่เป็นนีิเพราะเป็นค่าศึกต่อการบริโภคอย่างเป็นนีิก็ได้นะพระที่ที่พิจารณาแล้วก็บริโภคเนี่ยนะ ถึงสงถึงการสงเคราะห์เข้าในทายช่บริโภคนั่นเองนะปะุะพิสุปุตุชนผู้เป็นกาลยานะเนี่ยนะบริโภคแบบพิจารณาเนี่ยสงเคราะห์เป็นประเภททายช่บริโภคเพราะว่าแม้ท่านผู้มีศีลท่านก็เรียกว่าเสขะเพราะความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศกขานี้ใช่เพราะขณะที่พิจารณาเป็นผู้ที่มีอาธิศีและศกข า, าในขณะที่มีศีขาในขณะบริโภค ในขณะฉันไปแล้วพิจารณาไปอันนี้ก็เป็นเสขะใช่ไหมเพราะอยู่ในอาทิศีลสิกขาเพราะฉะนั้นก็สงเคราะห์เป็นทายัตะบริโภคเพราะมีเสกมีสิกขาในขณะบริโภคอันหนึง่งในการบริโภคเหล่านี้เพราะเหตุที่สามีบริโภคจัดว่าเป็นเลิศพระอรหันฉันเนี่ยเป็นเลิศเลยเพราะว่าท่านบริโภคปัจจัยสี่ของผู้ใด ท่อบุญท่อกุศลเนี่ยนะจะเกิดขึ้นแก่เขาหาประมาณไม่ได้เพราะั้นนะเพราะฉะนั้นพิสูผู้ปราถนาอยู่ซึ่งสามีบริโภคนั้นพิจารณาด้วยการปัจเจกอันมีประการที่กล่าวแล้วจึงบริโภคจะพึงทำปัจยะสานิสิตาสีนให้ถึงพร้อมได้ก็พิสูผู้กระทำอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นกิจจการีกิดนะ การีนี่แปลว่าผู้ทําโดยปกติกิจจาก็คือผู้ทํากิจโดยปกตินะผู้ที่กระทำปฏิบัติตามคําสอนแบบนี้ชื่อว่ากิจจการีผู้มีการปฏิบัติโดยปกติเนี่ยนะผู้มีการทํากิจโดยปกติจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ตรัสคํานี้ไว้ว่าพระสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ผู้ทรงมีปัญญาประเสริฐ ฟังธรรมะที่พระสุคตเจ้าทรงแสดงแล้วพึงพิจารณาแล้วจึงเสพก้อนข้าววิหารที่นอนที่นั่งน้ําและน้ําซักฟอกฝุ่นทุลีที่ผ้าสังาติแม้แต่น้ําซักผ้าก็ต้องพิจารณาด้วยเพราะเหตุนั้นแลภิกษุจึงเป็นผู้ไม่ติดข้องในธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นคือในก้อนข้าว นะถ้าพิจารณาแล้วจะไม่ติดในก้อนเข้าในที่นอนที่นั่งในน้ําและในน้ําซักฟอกฝุนทุลีที่ผ้าสังขาติเหมือนหยดน้ําไม่ติดอยู่ในใบบัวฉะนั้นนะนะเพราะฉถ้าหาว่ามีการพิจารณาไข่ควรแบบนี้นะอารมณ์ที่เธอเข้าไปเกี่ยวข้องจะไม่ยึดติดเลยเนี่ยนะนะจิตของเธอไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นเหมือนน้าไม่ติดในใบบัวเธอได้พิกษาตามการ โดยการอนุเคราะห์จากผู้อื่นก็พึงเป็นผู้ตั้งสติมั่นเนืองนิดรู้จักประมาณในของเคี้ยวของฉันและของลิม้มเหมือนคนเป็นแผลรู้จักประมาณในการพอกยารักษาแผลฉะนั้นเห็นท่านพูดไว้ดีนะเหมือนกับยาทาแผลพอกแผลไปเลยเออจริงๆแล้วกายนี้มันเป็นแผลสดอ่ะนะที่เยียวยากันไม่จบไม่ติ้นทัทีนึงถ้าไม่ล้างแผลสักสองาวันดูสิ อย่าไป น, นั่งใกล้คนอื่นเด็ดขาดเลยอ่ะภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สยบ ก, กลื่นกินอาหารแต่พอยังร่างกายให้เป็นไปได้เหมือนสามีภรรยากลื่นกินเนื้อบุรในที่กันดาลเหมือนพ่อค้าเกวียนใช้น้ำมันหยอดเพลาเกวียนฉะนั้นดังนี้เห็อนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการบริโภคปัจจัยสี่ว่าบริโภคเหมือนกับกินเนื้อบุรเหมือนกับ น้ำมันเครื่องน้ำมันหยอดพลาเกวียนน่ะนะก็คือถ้าสมไม่ใหม่ก็รถแต่พวกหยอดน้ํามันเครื่องนั่นแหละก็ความก็ในความเป็นผู้กระทําปัจจะสานิสิตศีนี้ให้บริบูรณ์บัณฑิตควรเล่าเรื่องสังขารขิดสำมเนินผู้เป็นหลานไว้เนี่ยนะคือหลานของพระสังขารขิดเถระนั่นเองโดยว่าสำมเนินรูปนั้นพิจารณาโดยชอบแล้วจึงบริโภค เหมือนอย่างที่เธอกล่าวไว้เองว่าพระอุปชากล่าวกัะข้าพเจ้าผู้กําลังบริโภคข้าวสาลีที่เย็นดีและแล้วว่านี่แนะสัมมาเนธเธออย่าเป็นผู้ไม่สํารวมเผาลิ้นเลยนะอุปชาในสอนเออจะไปฉันแล้วเผาลิ้นตัวเองนะนะถ้าถ้าฉันไม่ดีก็เผาลิ้นตัวเองใช่ไหมข้าพเจ้าฟังคําของพระอุปชาแล้วก็ได้ความสังเวชในการนั้น นั่งในที่อาสนะเดียวแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ข้าพเจ้านั้นมีความดำริเต็มรอบเหมือนพระจันทร์วันขึ้น15บห้าค่ำฉะนั้นเป็นผู้มีอาสวะทั้งปวงสิ้นแล้วบัดนี้พบใหม่มิได้มีเพราะเหตุนั้นแม้กุลบุตรผู้อื่นเมื่อปรารถนาซึ่งความสิ้นไปรอบแห่งทุกพึงพิจารณาโดยถูกอุบายแล้วจึงเสพปัจจัยทั้งหลาย ชะนี้แลนไะถ้าหาว่าปรารถนาสิ้นรอบแห่งทุกเนี่ยนะปรารถนาหมดจดรอบจากกองทุกขคืออุปาทานขันห้าก็พิจารณาโดยถูกอุบายอันแยบคายแล้วก็ค่อยเสพปัจจัย4เพราะว่าบางแห่งเนี่ยนะพระองค์ตรัสไปเลยว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ปัจจย 4, นะัยสี่นแหละเห็นไหมตัณหาหมวด4ก็คือตัณหาเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจย 4, นะัยสี่เนไตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดอาศัยเครื่องนุ่งห่มนี่แหละ ตันหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยอาหารที่บริโภคเข้าไปนี่แหละตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในที่อยู่ที่อาศัยนะกุฏิหรือว่าบ้านช่องนั่นแหละตันหาเมื่อจะเกิดก็อาศัยหยูกยานั่นแหละเกิดเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาโดยถูกโดยอุบายอันเย็บขายแล้วก็สามารถทำความสิ้นไปโดยรอบแห่งกองทุกได้ะนะ เมื่อปราถนาความสิ้นไปรอบแผงทุกเนี่ยนะชื่อว่าปราถนาอะไรคำนี้เนี่ยหมายถึงปราถนาเป็นอะไรนนะปราถนาอรหัตตผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปราถนาอรหัตผลเนี่ยนะมันอรหัตผลนี่แหละจึงจะชื่อว่าสิ้นรอบจากทุกโดยชอบจริงๆเลยนะก็ต้องหมั่นไค่ครัวในปัจจัยสี่ที่บริโภคศีลจัดเป็นสี่อย่างโดย จัดเป็นปริสุทธิศีลมีปาติโมขสังวรศีลเป็นต้นโดยประการที่กล่าวแล้วนี้ะนะศีลหมวดสีนนี้จบนะจะตุปปริสุทธิศีลเนี่ยยาวที่สุดเนยะขยายมากอ่ะนะศีลหมวดสีใช่ไหมย่ยนะเปิดไปในหน้าส5สห้าคืนอ่ะนะ เปิดในหน้า3ามสที่กล่าวว่าศีลเนี่ยนะจัดมี4อย่างใช่ไหมศีอย่างโดยเกี่ยวกับฐานะพาคิยศีลทิติภาคิยาศีลวิเศษสภาคิยศีลและก็นิเพทะพาคิยาศีลอันนี้ชุดที่1อันนั้นเรียกว่าจตุกะที่1นจตุกะที่2ก็คือพิคุศีลพิกุณีศีลอนุปัสัมบันศีลและคือหักศีล จตุกะที่3ก็ปกติศีลอาจาราศีลธรรมตาศีลและก็ปุบพระเหตุตุกศีลจตุกะสุดท้ายก็คือปฏิโมขสังวนอินสิริยะสังวนอาชีวปริสุทธิศีลและก็ปัจยาศนิศสิตศีลอันนี้เราก็มาอธิบายประเภทของจตุปริสุทธิศีลอย่างละเอียดทีนี้วันต่อๆไปก็จะกล่าวถึงศีลจัดว่ามี5อย่างเนี่ยนะศีล หมวด5หรือโดยปัญจกะครับรรมส ก, การถามครับเมื่อพระภิกษุรับนิ ม, มนต์นะครับไปฉันก็ดีไปแสดงธรรมก็ดีเมื่อรับนิ ม, มนต์แล้วมี อ, อาพาธเกิดขึ้นไม่สามารถจะไปรับไ ป, ปนิ ม, มนต์ได้อย่างนี้นะครับถ้าไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่มีคนได้บอกจะถือว่าเป็น สิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ครับผมพลาดแล้วไปไม่ได้นะผมก็ที่จริงก็ควรส่งข่าวไปอนะคือคือตามกิจธรรมดาทั่วไปก็ควรส่งข่าวไปแต่ถึงถ้าว่าโดยพระวินัยแล้วถ้าไม่ส่งข่าวไปบอกก็ไม่ได้บอกว่าผิดวินัยอะไรเพราะว่าเจตนาแต่เดิมไม่ได้คิดจะมุสาวาทอะไรบางคนอ้าวรับปากแล้วไม่ได้ไปนี่มุสาวาทเนี่ยมุสาวาทมีองค์สี่ใช่ไมหนึ่งเรื่องไม่จริง รู้ว่าเรื่องไม่จริงด้วยสองจิตคิดจะพูดแล้วก็พูดออกไปนะเขารู้ความก็ถือว่าเป็นมุสาวาและแต่นี้ไม่ได้ไม่ได้คิดจะหลอกไปตั้งกระต้นใช่ไมเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่มุสาวาดแต่ว่ า, า ไ, ป ไ, ไปไม่ได้เพราะเหตุสุดวิสัยแต่ทีนี้ถ้าตามโดยมัญญ่าทั่วไปแล้วเนี่ยนะควรประพฤติควรบอกบอ ก, บอกกล่าวแจ้งให้เขาทราบก่อนนะแต่ถ้าแจ้งไม่ได้ล่ะทาไงก็คนนิมนต์ก็วิบากไม่ดีกันแล้วกัน พระภิกษุรูปนั้นวิบากไม่ดีอยู่แล้วจึงป่วยอ่ะก็ในฐทานหน้าที่อาผูนิมนต์นั้นนะครับถ้าถึงเวลาแล้วท่านยังไม่มาตามนิมนต์ก็นหน้าที่ที่จะโทรศัพท์หรือติดตามไปถามถึงเหตุผลจะดีไหมครับอย่างนี้ครับก็ดีครับผมหไหมว่าทำไมจึงไม่มาเป็นต้นเลยนะครับถ้าไม่ทำแล้วบางทีก็ จิตจะเป็นอกุศลก็ได้เพราะว่ า, วาผมนิโมนแล้วท่านทำไมไม่มาไม่มา น, น, นางคณะจะบอกผมครับขอบคุณครับก็ควรที่จะติดตามะนะเพราะไม่งั้นก็รักษาอัปราปริยัติเจตนาไม่ได้แต่ที่กุศลจิตที่คิดจะทำนี่ก็มาเสียหายในตอนนั้นหมด